Book 2 37 37 2> ระหว่างเดินทางพอไปเขาขับรถจกกักรยานยนต์ฮันขี่มอเตอร์ไ k e l เขาขี่จกกักรยาน เขาเดินฮันเขาไปโดยเรือใหญ่ฮ r นขี่เรือขาไปโดยเรือฮันขี่เรือบอขาว่ายน้ำฮ ที่นี่อันตรายไหมคะ Are t f a l h r การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ Are t f a l a hike alone มันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Are t f a l a go t u r om natten เราหลงทาง h a ö r t s i l เรามาผิดทางเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม <must> จอดรถได้ที่ไหนคะ er ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ det er här? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ คุณเล่นสกีไหมคะ go ดูปอชีคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะขี่เรือดูอ๊ e ปที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ go ดีอันอ๋อเล e ้ยสีฮา